การเจริญสมาธิอย่างเป็นแบบแผนข้อ6เจริญสมาธิอานาปานสติภาวนาเป็นตัวอย่างเมื <ME> ่อได้กล่าวถึงหลักทั่วไปของวิธีเจริญสมาธิแล้วก็ <perspectives> เห็นควรแสดงตัวอย่างวิธีเจริญสมาธิไว้สักอย่างหนึ่งด้วยและบรรดากรรมฐาน40อย่างนั้นในที่นี้ขอเลือกแสดงอานาปานสติก็ก่อ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 ก็เป็นอารมณ์ประเภทรูปธรรมซึ่งกำหนดได้ชัดเจนพอสมควรไม่ละเอียดลึกซึ้งอย่างกรรมฐานประเภทนามธรรมที่ต้องนึกขึ้นมาจากสัญญาและถ้าต้องการปฏิบัติอย่างง่ายง่ายก็ไม่จำเป็นต้องใช้ความคิดอะไรเพียงเอาสติคอยกำหนดลมหายใจที่ปรากฏอยู่แล้วไม่ต้องคิดแยกแยะพิจารณาสภาวะธรรมอย่างพวกทาตุมนสิการเป็นต้นผู้ที่ใช้สมองเหนื่อยมาแล้วก็ปฏิบัติได้สบาย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 ต้องหายใจทางปากด้วยในทางตรงข้ามคนที่กายผ่อนคลายใจสงบสบายลมหายใจละเอียดประณีตกว่าคนปกติการมาเป็นอนาปานสติช่วยทำให้กายใจสุขสงบจนลมหายใจละเอียดประณีตลงไปเรื่อยๆยิ่งกว่านั้นอีกจนถึงขั้นที่แทบจับไม่ได้เลยว่ามีลมหายใจในเวลานั้นร่างกายดำรงอยู่ได้ดีโดยใช้พลังงานน้อยที่สุด ไม่เรียกร้องการเผาผลาญเตรียมความสดชื่นไว้ให้แก่การทำกิจในเวลาถัดไปและช่วยให้แก่ช้าลงหรือช่วยให้ทำงานได้มากขึ้นพร้อมกับที่สามารถพักผ่อนน้อยลงข้อดีพิเศษของอาณาปานสติข้อที่4เป็นกรรมฐานข้อหนึ่งในจำนวนเพียง12อย่างที่สามารถให้สำเร็จผลในด้านสมร t ได้จนถึงขั้นสูงสุดคือจะตุทะฌาน และส่งผลให้ถึงอรูปฌานกระทั่งนิโรธสมาบัติก็ได้จึงจับเอาเป็นข้อปฏิบัติหลักได้ตั้งแต่ต้นจนตลอดไม่ต้องพะวงที่จะหากรรมฐานอื่นมาสับเปลี่ยนหรือต่อเติมอีกขอให้ดูแผนภูมิที่16ทับสองที่แสดงไว้แล้วข้างต้นประกอบด้วยในทีประสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวัตรมีพุทธพจน์เสริมว่าเพราะฉะนั้นแล หากพิสูจหวังว่าเราพึงบรรลุจตุตฌานก็พึงมณสิการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีหากพิสษุหวังว่าเราพึงก้าวล่วงอากินจัญญาณยตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงเนวสัญญานาสัญญายตนะเถิดเราพึงก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนะโดยประการทั้งปวงแล้วเข้าถึงสัญญาเวทยิตะนิโรธเถิด ก็พึงมณสิการานาปานสติสมาธินี้แลให้ดีข้อดีพิเศษของอานาปานสติข้อที่5ใช้ได้ทั้งในทางสมถะและวิปัสสนาคือจะปฏิบัติเพื่อมุ่งผลฝ่ายสมาธิแนวไปอย่างเดียวก็ได้จะใช้เป็นฐานปฏิบัติตามแนวสติปัฏฐานจนครบทั้ง4อย่างก็ได้เพราะเป็นข้อปฏิบัติที่เอื้ออํานวยให้สามารถใช้สมาธิจิต เป็นสนามปฏิบัติการของปัญญาได้เต็มที่ข้อดีพิเศษของอาณาปานาสติข้อที่6เป็นวิธีเจริญสมาธิที่พระพุทธเจ้าทรงสันเสริญมากทรงสนับสนุนบ่อยครั้งให้พระภิกษุทั้งหลายปฏิบัติและพระพุทธองค์เองก็ได้ทรงใช้เป็นวิหารธรรมมากทั้งก่อนและหลังตรัสรู้ดังพุทธพจน์บางแห่งเช่นในเวสาลีสูตรสังยุตตนิกายมหาวารวั พระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธินี้แลเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นสภาพสงบประณีตสดชื่นเป็นธรรมเครื่องอยู่เป็นสุขและอย่างอากุศลธรรมชั่วร้ายที่เกิดขึ้นแลเกิดขึ้นแลให้อันตรฐานสงบไปได้โดยพลันเปรียบเหมือนฝนใหญ่ที่ตกในสมัยไม่ใช่ฤดูการ ยังฝุ่นละอองที่ฟุ้งขึ้นในเดือนท้ายฤดูร้อนให้อันตระธานสงบไปโดยพลันฉะนั้นในอิจฉานังละสูตรสังยุตตนิกายมหาวาระวัตรพระพุทธองค์ตรัสว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อจะกล่าวให้ถูกต้องเพิ่งกล่าวถึงอาณาปานสติสมาธิว่าเป็นอริยวิหารคือเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพระอริยะก็ได้ว่าเป็นพรหมวิหาร คือเป็นธรรมเครื่องอยู่ของพรมก็ได้ว่าเป็นตถาคตาวิหารคือเป็นธรรมเครื่องอยู่ของตถาคตก็ได้ภิกษุเหล่าใดเป็นเสขะยังไม่บรรลุอรหัตผลปรารถนาภาวะปลอดโปร่งโล่งใจปรารถนาโยคะเกษมอันยอดเยี่ยมอานาปานาสติสมาธิที่พิสุเหล่านั้นเจริญแล้วทําให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะทั้งหลาย ส่วนพิษุเหล่าใดเป็นอรหันตสิ้นอาสวะแล้วอานาปานาสติสมาธิที่พิสุเหล่านั้นเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อทิฏฐธรรมสุขวิหารคือเพื่อความอยู่สุขสบายในปัจจุบันและเพื่อสติสัมปชัญญะในทีประสูตรสังยุตติกายมหาวารวัตรมีพุทธพท์ว่าภิษุทั้งหลายดังที่เป็นมา เรานั้นก่อนสำโพธิเมื่อยังไม่ได้ตัดสรู้ยังเป็นโพธิสัตว์อยู่ก็อยู่ด้วยวิหารธรรมคืออานาปานสติสมาธินี้โดยมากเมื่อเรานั้นเป็นอยู่ด้วยวิหารธรรมนี้โดยมากกายก็ไม่เมื่อยตาก็ไม่เหนื่อยและจิตของเราก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยไม่ถือมั่นเพราะฉะนั้น แ, แลภิกษุทั้งหลาย หากพิสุจน์หวังว่ากายของเราไม่พึงเมื่อยตาก็ไม่พึงเหนื่อยและจิตของเราก็พึงหลุดพ้นจากอาสวะทั้งหลายด้วยไม่ถือมัน่นก็พึงมณสิก า, านาปานสติสมาธินี้แลให้มากกลับไปที่อิจฉานงางคละสูตรสั่งยุติไนกายมหาวารวักในตอนต้นพระสูตรนี้มีข้อความว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาค ประทับอยู่ณไพรสนชื่ออิจฉานังคละใกล้อิจฉานังคละนะครณที่นั้นแลพระผู้มีพระภาคได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราปรารถนาจะหลีกเร้นอยู่ตลอดไตรมาสใครๆไม่พึงเข้ามาหาเราเว้นแต่ภิกษุผู้นำบิณฑบาตรรูปเดียวครั้งนั้นแลเมื่อล่วงเวลาสามเดือนแล้วพระผู้มีพระภาค สเสด็จออกจากที่หลีกเรนแล้วตรัสกับภิกษุท์ทั้งหลายว่าพิสุทั้งหลายหากว่าอัญญเดรธีปริพาชกทั้งหลายจะพึงถามพวกเธออย่างนี้ว่าพระสมณะโคดมอยู่จําพรรษาด้วยวิหารธรรมใดโดยมากเธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงชี้แจงแก่อัญะเดรธีปริพาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่า ท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระภาคประทับจำบัญสาด้วยอานาปานสติสมาธิโดยมากในอาณาตโสที่หนึ่งสั่งยุตานิกายมหาวาระพระพุทธเจ้าตรัสว่าดูกระระอานน์ทำเอกคืออาณาปานสติสมาธิภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้ว ย่อมยังสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์สติปัฏฐานสี่อันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังพ่อชงเจดให้บริบูรณ์พ่อชงเจดอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมยังวิ ช, ชาและมิมุติให้บริบูรณ์ในมหาราหุโลวาตสูตรมัชฌิมานิกายมัชฌิมปั น, นาธพระพุทธเจ้ารับสั่งกับท่านพระราหุลว่า ดูกระลาหุนเมื่อเจริญอาณาปานาสติแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แม้แต่ลมอัศ ส, สะปัตสสะซึ่งมีในท้ายที่สุดก็ดับไปโดยรู้ม่ใช่ดับโดยไม่รู้